วันนี้เป็นวันที่21กันยายน53เมื่อวันที่18หลวงพ่อลงไปตั้งแต่เช้ามืดเพื่อไปงานร้อยวันหลวงปู่ฟักสันติธรรมโมวัดเขาน้อยสามผานจังหวัดจันทบุรีออกไปแต่ตั้งแต่ตีสออกจากวัดเราไปฉัน ที่ข้นแก่นออกจากข้นแก่นก็ตีรถยาวไปถึงพิมายแล้วก็ไปเปลี่ยนรถที่พิมายให้เสียเอารถขึ้นมารับพอหลวงพ่อไม่เชื่อฝีมือโซเฟอร์ของเราอาจจะพาหลวงพ่อหลงทางเหมือนกันไม่รู้จะหลงไปทางไหนเพราะทางมันไม่รู้สายไหนตัวสายไหนเข้าไปลงไปแถบนั้นแหละทับภาพตะวันออกเลยให้เสียขึ้นมารับที่พิมาย ออกจากพี่ไม้เขาประมาณสิบโมงกว่าไปถึงปัดเขาน้อยสามผ่านเขารู้สึกว่าประมาณสักเกือบห้าโมงห้าโมงเย็นมันไปช้าอยู่จากแต่โคราชโคราชปักธงใสลงไปถึงกระบินฝนตกหนักขนาดเลยว่างั้นะจนไปถึงนู่นใกล้ๆกลแกล้งฝนนีงค่อยหยุด แต่พอถึงวัดหลวงปู่ฟักจริงๆก็ไม่มีฝนเออสบายดีครับนั้นก็หาที่พักที่พักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประมาณทุ่มหนึ่งพระท่านก็สวดมนต์สวดอภิธรรมเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็ขึ้นมาช่วงปลายๆจากนั้นก็แล้วก็กราบพระราชนานีมนแต่ ว, วันนั้นวันที่สิบแปดเย็นวันที่สิบแปดเช้า ว, วันที่สิบแปด มีการทำบุญพ อ, อพรอบร้อยวันหลวงปู่ฟักรพระสงฆ์เกือบสองร้อยรูปแล้วก็มีคณะทายาิโยมมากตอนเช้านะพอตกตอนเย็นก็มีการสวดพระอภิธรรมตามปกติเพราะท่านจะสวดวันเสาร์อยู่แล้วแต่วันนี้รู้สิกวันเป็นวันพิเศษสักหน่อยคือร้อยวันทำบุญร้อยวันของปู่หลวงปู่ฟักหลวงพ่อขึ้นแสดงธรรม ใชเวลานานพอสมควรเห็นอยอดโฉมเยอะลถจนจะหาที่จอดไม่ได้แต่กทีพักคู่คนก็นรู้สึกนั่งร้อมรอบศาลาการจัดกระจายเพราะงั้นกระจัดกระจายกว้างวงกว้างแล้วพอฉันพอเสร็จแล้วก็พักที่เขาน้อยก็ทราบข่าวว่าคุณอภิรามที่มุนรู้จักมักคุ้นกัน ที่นิมนต์หลวงปู่เพียรไปรักษาที่ระยองแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มหาบุตรมีรู้จักกันนานเออรู้จักกับวัดของเรานานแล้วก็คุณอภิ ร, รามเป็นผู้หญิงก็มรณาภาพท่านอาจารย์ปะคูปะคูจุชินวัาธรรมมสถติตก่อนนิมนต์ลงมาเทศประการเอออมันมา ไกลแล้วทีนี่เอาอยัางไงถ้าจะกลับคิดว่าคิดว่าจะกลับวันที่สิบเก้านะในเรื่องของลุงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วก็จะกลับวัดะแต่นี้กลับไม่ได้เพราะว่ามีคนอยู่พิยมที่รู้จักมักคุ้นมรณาภาพอ่ะก็เลยนิมนต์นิมนต์ลงไปกรุงเทพอะก็เลยได้เข้าไปกรุงเทพไปพักอยู่วัดของลุงปู่ไทยสำนักลุงปู่ไทย กูวัวนะมันท่านเป็นสำนักเล็กๆอยูนะ่แถวกมอยี่บเจ็พอตอนเย็นเขากกนิมนต์ไปไปก็ไปเทศที่นั่นอีกก็พูดอะไรไม่ได้มากนะคนก็ไม่มากเท่าไหร่จากนั้นก็ออกตีสนะี่เลยมาโกราชเนละมาถึงพี่ไม้ก็มาชันที่งานที่พี่ไม้เมื่อวานพนอะชันเสร็จแล้วก็กลับมาวัดนะถึงประมาณชั่บ่ายเกือบบ่ายสามวนะัน กิจรุรักของหลวงพ่อที่แรกก็คิดว่าจะไปเพียงวันเดียวคืนเดียวก็จะกลับแต่มันก็ตะเลิดเปิดเปิงว่ะต่อไปนีคงคงจะได้ได้นามใหม่วได้ชื่อใหม่หลวงพ่อตะเลิดหลวงพ่อตะเลิดไปงานหนึ่งแะ้วเลิดไปงานหนึ่งตะเลิดไปงานหนึ่งเตลิดเปิดเปิงเหมือนจะทํายังไงได้คนนั้นก็มีบุญคุณคนนี้ก็ มีอุปกรารคุณคนนั้นก็รู้จักมักคุ้นมาก่อนเกา่าคนนั้นก็เคยคบค้าสมาคมกันมานมนานไมีบุญมีคุณต่อกันลักษณะนั้นถ้าว่าไม่หนักหนาไม่นักหนาจริงๆก็ต้องได้ไปเป็นเสียแต่มันถึงจะมีบุญคุณขนาดไหนบางครั้งเจ้าภาพก็รู้สึกเสียอกเสียใจกับหลวงพ่อไม่ไปแต่ไม่ได้ถามว่า ที่หลวงพ่อไม่ไปนะเพราะอะไรฮะไม่ใช่ลั ง, ลงเกียจเดียดสันแต่พอมันหนักหนักมากจริงๆบางทีก็สุขภาพของตัวเองอีงด้วยเราไปไม่ไหวละขนาดเนี่ยไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวเองเพราะสุขภาพแต่เมื่อขาวที่แล้วก็เกือบจะไม่ได้ไปแล้วพอตอนเย็นมาก็เมื่อวันที่สิบเจ็ดพอขึ้นจากวันพระอบรมที่วันพระ ไหว้พระสวดมนต์กับคณะสัตธาญาติโยมพอขึ้นไปกุฏิประมาณหกทุ่มธาตุขานปั่นปูนขึ้นมาเลยในท้องโอ้ลักษณะอย่างนี้เหมือ น, นจะท้องร่วงแล้วเนี่ยว่ะจากนั้นก็จริงจริงด้วยถ่ายไปสักสามสี่ห้าหกครั้งเขาอ่อนเลยใช่ไก็เด็เรียกพระลงมาให้เอาน้ำเกลือขึ้นไปให้เกลือ เกล่ลพอดื่มเข้าไปแล้วก็ดื่มยาอย่างอื่นเข้าไปอีกโอ้ถ้ามันมากกว่านนะั้นคงไม่ไหวทั้งอาเจียนด้วย ท, ทั้งท้องร่วงด้วยทั้งอาเจียนด้วยออกพร้อมกันอลไรทั้งปากทั้งถุงทั้งต่ําเหมือนกันนอนแผ่แล้วจะเหนื่อยพอตอนเช้ามาก็เกือบจะบินทบาทไม่ได้เอยให้รถไปส่งตามปกติในพรรษาหลวงพ่อจะไม่นั่งรถเดินไปบิณทบาต ท, ทั้งไปทั้งกลับ ทั้งไปแล้วก็กลับมานั่งรถอะแต่บรรโว่ไม่ไหวเข่าอ่อนแหละ ว, วันนี้นะไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวเองไหวหรือไม่ไหวว่างั้นเถอะวันนี้ถึงจะเดินไปก็ถ้าใจใจสู้นะใจไปได้อยู่แต่กายไม่ไหวแล้ววันนี้เข่าอ่อนเดินออกไปถึงหน้าวัดรู้สึกเลยเข่าอ่อนว่างั้นเถอะไปไหวละ ว, วันนีน้ต้องขึ้นรถอถ้ามันเข่าอ่อนในบ้านก็ไม่ยากเพราะมีรถอยู่แล้วท่านนั่งรถมาก็ได้ แต่นี่ก็เดินเดินไปก็รอบบานได้นี่แหละหลังจากนั้นมาก็ได้ใส่น้ำเกลือเข้าไปอีกทั้งวันพันซีซีเพื่อจะให้ฟื้นเร็ววันเถอะวันพรุ่งนี้จะได้เดินทางแต่เช้านะแต่ดูดูแล้วก็เออเอาไหวองไหวไม่มีปัญหาบรางพอมันลงชั่วคราวองจะขึ้นขึ้นมาอีกแต่ขนาดนั้นก็เถอะพอไปถึงจังหวัดจันทบุรีเนี่ย ที่จะขึ้นไปแสดงธรรมนะรู้สึกมันวิววิววิววิวเหมือนกันนะโอ้ไหะวแล้ววันนี้ว่ะเพราะการแสดงธรรมและการเทศเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะมันต้องใช้พลังของร่างกายพอสมควรอยู่เพราะพูดจะได้พูดจะได้ต่อเนื่องอทั้งความคิดถ้วยทั้งกายด้วยมันไป พ, พร้อมกันนะนะใจก็คิดปากก็พูดนะนี่แหละ อ้โหเหมือนกันที่แรกก็พูดช้าๆเดิเดิบเดิเดิบไปเหมือนกันเหมั้นกัอ <c oughs> พอจากด้านไปยังค่อยพูดได้ตามปกติโอ้รู้สึกว่าทาดขันชักจะไม่ไหวแล้วอะต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยจะถึงเจ็ดสิบหรือเปล่าคงจะงดในการพูดแลอวในขณะที่พูดได้ก็พูดพูดไปซะนี่แหละหลวงพ่อวานสุขภาพร่างกายใครใครเขาเยอะหลวลงพ่อเยอะ พูดพูดมากๆหลงพอลิบลีบพูดจ้ะพอพูดได้อีกอีกไม่นานน่ะหลวงพ่อคิดดูตัวเองอยู่คงจะหยุดพูดเหมือนกับครูบาอาจารย์นี่มนพูดทิมพุ่นอย่ามาว่าเดี๋ยวข้าจะตบปากสุจราแต่สมัยเมื่อข้าพูดทำไมสุจ้าไม่ฟังแต่บัดนี้ข้าพูดไม่ได้แล้วจะมาบังคับให้ข้าพูดได้ยังไงหลวงพ่อ หลวงพ่อก็จะว่าอย่างนั้นยยอย่างนั้นนี่เพราะอะไรมันพูดไม่ได้เลยเด้มันหมดอมันหมดแรงแล้วะในขณะที่ยังมีแรงอยู่มีอะไรก็พูดพูดให้สู่กันฟังประสบประการณ์มาจากไงรู้เห็นเป็นจริงมาอย่างไรได้ศึกษาจับกับพ่อแม่ครูบายการมาอย่างไรและประสบประการณ์ของตนเองเป็นอย่างไรแหก็จะมาพูดพูดให้ฟังหลวงพ่อคิดว่าในใจของหลวงพ่อหลว ง, งพ่อไม่น่านี่ยกระดับ เมื่อวานเมื่อก่อนอย่างที่ว่าเน่ยขึ้นไปที่วัดหลวงปู่พักมันยังวิววิว ว, ว, วิวในใจนะอหัวใจมันวิววิวเนนแตไม่ใช่สะทานคนนะไม่ใช่กลัวคนเหมือนันแตมันเหนื่อยมันเพลียรู้จักแก่ใจของตอนเองเลยอในขณะนั้นเหมือนกัะนั่นแหนะอันนี้คือเราอาศัยธาตุขันอาศัยร่างกายเป็นเป็นอยู่เหมือนกับรถของเรานะ่ะถึงโซเฟอร์จะมีเก่งขนาดไหนฝีมือขนาดไหนเถอะเอแต่รถ ลูกสุบมันติดทั้งนั้นเองแหะติดตักติดตักติดตักติดตักติดตักติดตักถีบขนาดมันก็ทีบไม่ออกไงเพราะเหตุอะไรเพราะรถมันเสียอน้ํามันมันจะหมดน้ํามันมันติดอคาร์บิวมันสีดน้ำมันออกไม่ได้เอฝีมือก็บฝีมือเถอะเหมือนเดออันนี้ก็เหมือนกันใจของเราจะเข้มแข็งขนาดไหนก็เข้มแข็งเถอะแต่ร่างกายของเรามันไม่ไม่ช่วยเข้าไปแล้วมันจะทํำยังไงอมันก็ต้องสึกสักสอึกสัก ก่อนที่จะพูดออกไปได้เพราะร่างกายมันเหนื่อยมันเพลียเหมือนกับรถมันติดอย่างงั้นแหละนี่แหละแลาอาศัยธาตุขันที่พ่อแม่กูบาอาจารย์หลวงตาท่านพูดอาศัยธาตุขันเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนั้นอะพวกเราก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็ต้องอาศัยธาตุใช้ขันเหมือนกันอาศัยร่างกายการพูดการเดินการทํากิจธุระทาผลประโยชน์ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะสรุปแล้วก็คือให้เป็นผู้มู่มั่นให้เป็นผู้ตั้งใจสั่งสมคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทําคิดทําพูดในสิ่งที่ดีจะเกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าพวกเราปล่อยปละละเลยไม่ได้สนใจอันนั้นแปลว่า เราชะลาาใจไปนอนใจไปตั้งอยู่ในความประมาทตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราคิดไปอยู่เสมอว่าร่างกายของเราเนี่ยจะอยู่นานสักเท่าไหร่ไม่รู้จะไปวันไหนถ้าหากว่าเราคิดไ้อยู่เสมออย่างนี้การงานภายนอกเราก็ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเราก็พร้อมที่จะเตรียมพร้อมพอที่จะทำอันไหนได้เราก็ทาพอที่จะมอบหมายอะไรเราก็มอบหมาย ถ้าพ ร, พร้อมที่จะทําจุดไหนแล้วก็ทําแต่ส่วนตัวของเราเราคิดไปอยู่เสมอว่าอีกเมื่ อ, อไหร่วันไหนที่เราจะออกจากโลกนี้ไป mm hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้คือความไม่ประมาททั้งทางโลก mm hmm. ทางโลกคือการเป็นอยู่การเลี้ยงชีพการพบค้าสมาคมการหรือชุมชนสังคมประเทศชาติภายนอกแต่ด้านจิตใจของเราเราก็ไม่ ชลาใจเราก็ไม่ปล่อยวางเราไปคิดว่าอยู่เสมอว่าเอาเถอะมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วว ะ, ะถึงข่าวแล้วก็จะไปที่ไหนได้แต่เราพร้อมละพร้อมทุกเวลาที่จะต้องจากโลกได้ไปนั่นแหะในใจของเราต้องคิดอย่างนั้นต้องพร้อมมาอยู่เสมอถ้าว่ามันปินปลาจริงๆก็อย่างว่าดเราก็ไปได้จะ ท, ทำยังไงได้โลกโลกนี้มัน โรคอนิจจังเรื่องทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดถ้าเราไม่เรียนรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาจะเป็นนักปฏิบัติได้อย่างไรเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องเนี่ยดูตนเองอือยู่เสมอไม่ใช่ว่าไม่คิดไม่อ่านมีแต่สนุกสนานเพลิดเพลินในเอหายเป็นแต่ละวีแต่ละวันไปเหมือนกับคนอยู่ในบ้านในเรือนนั่นนะเออสมมติเราอยู่ในศาลาหลังนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไฟไม่ศาลา เราจะเอาอะไรออกก่อนในศาลาหลังนี้ถ้าเราตั้งอยูนะ่เราจะเอาอะไรออกก่อนในศาลาหลังนี้แต่มันจงต้องไหมแน่เราก็ต้องรีบไปเอาพระพุทธรูปออกก่อนองค์ที่พอจะเอาได้ขนขนข น, ขนออกก่อนอันนี้คือของมีคุณค่าหรือสิ่งไหนที่มีคุณค่าในศ า, าลาเนี้เราต้องคิดไปแล้วเดี๋ยวนว่าอันไหนเครื่องสงเครื่องเสียงที่มีราคาเราก็ต้องรีบออกก่อน ไม่ใช่ถ้าคนไม่คิดจะปูปรับนู่นไปแบกก็ตุ่มน้ํำทางหน้าสลาวิ่งออกไปเออเอาออกมาออกไปทําไมแบกออกไปเกือบแทบพมแับตายเหมือนกันแหะเอ่อออกไปแล้วข้าออกมาทําไมตุ่มน้ำํำมันแตกก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรมากมายนักหนานี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเราคิดไว้ในใจอยู่เสมอว่าอบุญกุศลเราพร้อมหรือยัง เมื่อใจิตใจของเราถึงจุดนั้นเราจะคิดอะไรเราจะเข้าจุดไหนเราจะภาวนาอะไรเราจะปล่อยวางอย่างไรเอเราจะไปคิดโมโหโกธาให้คนอื่นเดี๋ยวยังงั้นตลอดทําไมไม่องกูไปรักษาทําไมไม่ดูแลข้าอาคิดโมหโหโธโศอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์อะไรถึงข่าวมันแล้วเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเข้ามาหาตัวเอง ผันเข้ามาหาตัวเองผันเข้ามาหาใจเลยต้องดูที่ใจเลยอถึงคราวมันแล้วดูที่ใจมันมีอะไรเราจะปล่อยวางยังไงเราจะเก็บหอมลอมริบยังไงในขณะนี้เดี๋ยวนี้ไฟไหม้จวนตัวแล้วเอถึงยังไงก็ไหม้ละคราวนี้ไปไม่รอดแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดวางแผนไวล่วงหน้าเนิ่นๆเหมือนกันไม่ใช่ว่า ถึงข่าวแล้วเรายังค่อยมามัวเมียมัวเมียอคิดคนนั้นผิดคิดคนนั้นถูกคนนั้นไม่ดียังคนนี้นไม่ไดียังอันนั้นมันใช่ไม่อยู่ข้างนอกเอแต่จะไปเอามาเป็นเนื้อเป็นหนังเอามาเป็นตัวเองแท้ๆนะั้นผิดออะตัวเอง่ดูที่ใจของเรานี่แหละเอาเถ อ, เอผิดหรือถูกเราก็เกิดมาในโลกนี้โลกนี้มันเป็นอยู่อย่างเตั้งแต่เรายังไม่เกิดในโลกนี้มันเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิ ด, เ, เ, ร เ, กดเราตายไปแล้วมันเป็นอยู่อย่างนี้ มันพิดมากมายกว่านี้อีกต่างหากสมัยสงครามพม่าสงครามเวียดนาสมสงครามเขมรสงครามลาวนะมันฆ่าตายกันฆ่าการเป็นบือเมืองไทยก็ใช่ย่อยเมื่อไหร่ ม, มันเป็นทุกยุคทุกสมัยนะเกิดมาในโลกนะแต่ถ้ายากฆ่าจะเกิดมาดีที่สุดถ้าเกิดมาก็ต้องเจอต้องพบต้องเห็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาถ้าว่า เราพบเราเจอเราเห็นเราจะทํำยังไงเราก็ต้องพยายามเอาตัวรอดเอาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจจะทํำยังไงเราจึงจะหนีให้โลกหนีจากความวุ่นวายจากกิเลสลักขะโทสะโมหะของมนุษย์ให้เร็วที่สุดที่พระพุทธเจ้าพานหนีนะั่นท่านหนีที่ไหนหนีที่ใจของท่านเองมันไม่ใช่หนีข้างนอกนะดูที่ใจอยู่ที่ใจแก้ที่ใจปรับปรุงที่ใจ ถ้าใจรู้จรงเห็นจริงเลยใจใจก็จะหลุดพ้นที่ตัวของเองที่ตไม่ยึดมั่นถือมั่นใจของตัวเองก็ถีบออกจากเครื่องดึงดุดคือกิเลสลราคะโทสะโมหะเข้าไปอยู่แดนอวากาศเป็นไม่ไม่มีสิ่งที่ดึงดูดอเป็นอมตะจิตอมตะธรรมอะไรต้นั่นแหละจุดนั้นที่พวกเรามุ่งมั่นหรือพวกเราปรารถนา ในการบวชของเราหรือในการศึกษาพระพุทธศาสนาของพวกเราคือเราอยากจะถีบใจของเราออกจากวัตวลุลคือกิ oh เลสราคะโทสะโมหะไปสู่แดนแห่งความกเกษมคือพ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเป็นอนันตการเนี่ยนะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้มุ่งมัน่นให้ตั้อกตั้งใจอย่าไปช่าใจอย่าไปนอนใ จ, อ ย, น อ, นใจอย่างที่ผมได้กล่าว มรณะภัยไม่ใช่ของเล็กน้อยเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายอีกไม่นานมาเจอเราแน่ๆว่ากันหลวงพ่อไปหลายวันพวกพวกท่านทั้งหลายคงจะเบาหูไปนะหลวงพ่อกลับมาเลยหนัก ข, ขึ้นมาอีกเอารับพรเทิน